ของ Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่น้อง 3 เนาะของ 11 นะครับครับ 3 ครึ่งเอา 3 กว่าของ 11 กันยายนนะครับปี 2554 เมื่อกี้เป็นยังไง 11 กันยายน มีคนบอกว่าให้ทวนเบอร์ของรายการให้นิดหนึ่งคนบอกว่าให้ทวนเบอร์ของรายการให้นิดนึง 02 338 3589-90 นะครับโทรเข้ามา 40 นาทีโทรมาทักทาย ต้องเรียกกับขา 84 84 เอาเสียงเค้าก่อนได้มั้ยขอขอเสียงครับอ่าใครนะสวัสดีครับ ไอ้ขยิบคัดหรือเปล่านะทางออนไลน์ไอ้ทางทางออนแอร์เราก็เออก็คุยกับกัดจีบใครครับก็ครับคุณเอมเป็นไงตอนนี้คิดว่าคุณมีอาการอย่าง เขาฟังนะครับใช่ก็เลยรีบโทรมาเลยใช่ๆๆโอเคแล้วยังอะไรไหนนะเนี่ยอ๋อโอเคสวัสดีเอ๋โอเคสวัสดี ตกลงนี่จะไป Facebook หรือว่าใน Facebook พี่ เป็นเพจบุ๊ปิ๊นหรือพี่โหนทวนกันหน่อยทีนึงมั้ยของปิ๊นคือ Facebook คือ K H U N N O R K @hotmail เออคิด o R I N A L ก็ G ป๊อปพังนี่ไม่ใช่เราก็ไประวังเอ่อ 2 ปี ฉะนั้นเค้าไม่มีตังค์เข้ามาเลยกว่านะได้ใช่เพื่อนใหม่เยอะแม้แต่รายการของ Canon มาเราก็เลื่อน ผมนึกว่าขาดทุนการศึกษาเฮ้ยทําไมๆอันอืมเออโอ้ ไม่พี่ผมผมเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับผมเค้าต้องหาผมเจอได้ไงไม่ได้ยินเสียงผมเลยสิก็จุดทูบสิเออ 2 AM MM ไม่เล่น มันเนี่ยจะเริ่มหายไปอาทิตย์หน้าเลย 023383589 90 นะ ก็มีหลายคนมานะมาทักทายโดยที่ชื่อเค้านานๆทีจะเออแล้วใครฟังย้อนใช่อะไรจัดมีตติ้งสิ ยังไงดีล่ะกินข้าวไปถ่าย YouTube ไปแล้วลองไปดูกันดิแล้วไปดูย้อนหลังดูกันเองขอให้เอ็มเข้ามาโชว์ไงเป้นเออๆเลยเออต้องต้องต้องถามสมาชิกก่อนนะๆน้ํา ตุงๆซาบักก็ได้อ่านะจะได้ดูมีสมุนชาติ shop อ่ะครับ g r o v i n อ้าวเคยไปอยู่ที่เป็นตัวโอเคโอเคมา thank you น้องเอ็ม มีคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาฟังรายการอะไรกันครับเหมือนกับว่าจะเลิกจัดหรือครับผมเพิ่งเข้ามาฟังแล้วคุณไม่เขียนชื่อคุณมาด้วยนะเออคนต่อไปไอ้ที่ไม่เขียนชื่อนี่แบบว่าอาจ ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เอาป่ะเอาปาร์ตี้ปาร์ตี้เอาป่ะแนะนําไอเดียมาหน่อย 20 30 คน หรือเค้ามีห้องห้องห้องห้องห้องรูมเค้าเรียกคอมมอนรูมที่ว่าไปที่คอนโดไหนให้มันดูๆไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีใครมีนะ ไม่พอดีก็คือฟังแล้วพอดีมันก็ตรงกับสถานการณ์พอดีว่าพี่พี่บอกว่ามันจะเป็นไม่ว่าวันนี้อาจเลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นก็ เธอไปหามัน DVD ออกแล้วเธอไปหามาดู DVD ไม่กิน DVD ออกมาแล้วโอ้โห อืมมีเยอะมีเยอะทําเป็นออกมารายอืมอ่าใช่ๆๆอ่ะมีคนบอกว่าให้จัด เสือแล้วก็เลิกไปแล้วครับอ๋อก็ยังโทรศัพท์ได้อยู่ละเร่งนะพี่พี่น้องแขงก็ไม่ได้เจอพี่รู้พี่ว่าอ่าขอบคุณ โปเกมอนอ้าวไม่สวัสดีสวัสดีมีคนส่งเบอร์มาให้เราเก็บก็ใครอยากจะอัปเดตกับเราว่าเราไปอยู่ตรงไหนวันอืมอ้าวสายไม่มาหรออ่ะมาแล้วมา ได้ละครับก็จะเห็นหน้ากันแล้วหรอโอ๊ยเจอตั้งหลายทีแล้วคุณละครับเรามีเจอบ่อยแล้วก็จําไม่ได้ซะทีเองเสร็จกันเสร็จในงานจริงๆสภาพว่าเสียดายครับครับเสียดายมากเพราะว่า นี่ที่จริงผมก็ได้เพิ่งฟังอือท่านจะอยู่แล้วนะฮะมั่นใจอยู่แล้วละเออแล้วคิดเออเวลา นอนเร็วขึ้นโอเคนอนเร็วขึ้นถ้าคุมอยู่ๆปกติคือวันครับใช่มั้ย เอ่อแต่ส่วนใหญ่จะละหรือ แล้วอัด YouTube เออไม่ไม่ถึงกับอยู่ YouTube ไม่ไหวนะครับคุณลงก็เฉพาะย้อนเราเออก็ไปนั่งเมา landing ลงอ่าฮะครับโปมี แค่ 340 คนเองเออโอ๊ยไม่สามารถไม่ไม่เราจะ 1 ครั้งแล้วก็ dinner party ทุกอาทิตย์แล้วมันจะเรียกอำลาได้ยังไงอ่ะเปิด เดี๋ยวดอกไม้มาสุดอาทิตย์อยู่เดี๋ยวไปๆๆไปเมื่อวาน 100 กว่าชื่อตาจะเลเลยมันถึงว่ามีหลายห้องมากเหรออุ๊ยคุณใหญ่อย่างน่าใจหายสัมภาษณ์ท่าน ครั้งครั้งไม่ใช่ครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้านั้นเรื่องอะไรจําประเด็นได้มั้ยครับอ๋อไม่ไม่ไม่ที่มีจีบกัน คือแล้วกันอีกจะไม่เออออนแอร์ได้ขนาดซึ่ง 2 คนนั้นใช่แล้วคุณเรา 3 คนใช่ 3 เออ 3 คนเนี่ยอาจจะ 8 ตอนนี้อยู่ใช่ อ๋อผมไม่ครับชอบอยู่คนโดดคนเดียวดีกว่าคนนี้ใช่มีจุดเจอแล้วนอกจากเทป ก็สนุกดีครับอ่านเล่มไหนไปแล้วมี 2 เล่มอ่านเล่มที่ไปท่องเที่ยวอ่ะครับที่บนเรืออ๋อโอเคนะครับดีนะเลยนะครับคุณโอปอที่วันนี้โทรใน เฟซบุ๊กของพี่ยอดใช่มั้ยครับใช่โอเคเผื่อถ้าจะมีใช่มั้ยอืมจะได้เตรียมตัวได้ทันใช่อีเมลก็ MSN เดี๋ยวเอเค้าก็ MM กับเอก็ มันฝากอีเมล question นะครับพิมพ์อีเมลของคุณมาพิมพ์ชื่อคุณมาด้วยครับครับ request คุณ A ไปแล้วด้วยแหละครับรับรับแล้วครับรับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณคุณอโปไม่ใช่คุณโอปอโปโปเกมอนโปนี่โทรโทรหาเนี่ยโทรหาโอปอหน่อยดี อ๋อมันเป็นอะไรวันนั้นวันนั้นเจอ อปป. ก็อยากจะไปนะจริงๆตอนนี้เป็นไป ร้านโดนขายดีใช่ก็เหมือนกันใช่จริงๆก็ๆรอบเลยนะเออนะครับเทปนวดนั้นปินๆไม่ขายของเธอไม้ ที่ก็คือใกล้ๆชอบอ่ะนะครับใช่ที่ที่เค้าเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วก็ทหารอะไรใช่ป่ะอ๋ออันนั้นอีกเออเออๆเอาอ่ะอืมคุณเจสไง เอ่อสนใจ 6 คนน่ะชวนเค้าไปใช่ป่ะ เออแล้วน้องสาวพี่น้องสาวที่ไปอยู่ที่เสาเสาสยบใช่มั้ยเออเสา 1 เธอเป็นสาวสวย เสียใจเสียดายกับชีวิตเธอมากจนมันนึงถึงก็ไปใช่มั้ยอีกครั้ง แต่บางคนก็ต้องทําเป็นตาอัตตภาพแต่ว่าอันที่เอ่อพี่วิทยาเราเนี่ยคือนานแล้วนะ FM 95.75 เลยนะพี่ เดี๋ยวชุมชนมา 9575 มา 102 มา i live video นี่เป็นเวอร์ชั่น 3 นะครับเวอร์ชั่น 4 เดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่อายุ 32 อยู่มีเอ่อเค้า ใกล้ชิดกับแฟเพื่อน อ่ะเป็นรุ่นพี่ที่ 2 เบรกติดกันเลยเราไม่ได้พักเลยเออเล่ายาวมากชอบมากใช่คุณวัฒน์คุณวัฒน์แล้วปิ่นก็ชอบเหมือนใช่ใช่น้อง ก็เก็บกันหมดแหละลูกพยาบาลก็เก็บความนับทั้งนั้นนะครับเราไม่ต้องกลัวนะเราไม่ต้องกลัวอืม นับพิกกําลังหาอยู่เฉพาะชอบใช่พิกกําลังๆนะเยอะจริงๆเยอะมากเปิด favorite topic ของเค้าคือเรื่องแอร์ซัจวัดแอร์ซัจวัดเหรอ PP PP อะไรก็ PP เอ่อเดี๋ยวเราเอาหมออีกสีพี่จําไม่ได้จําไม่ได้ทั้งหมดแล้วกินเต็มชินเอาไปให้ตลอดชุดนี้อินี่เยอะ อืมทําไมเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรามีคลื่นใหม่คือคลื่นระวังภัยขึ้น อ่าอาทิตย์นี้แย่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อใช่มั้ยใช่แต่นั้น ใช่ตอนนี้วันนี้คือไม่ได้ออกไปไหนเลยระบมมากอ่ะค่ะใช่แล้วเธอถูกล็อกหลังมาไม่รู้อย่างงี้แบบอาจใจแม้น้อง เมื่อก็เห็นในข่าวมานี่ว่าขายดิบขายดีที่ภูเก็ตไม่ได้ขาย 2 ต่างหาก 2 2 นี่คือคุณได้ 2 คุณเสีย 2 เลยคุณได้ 1 เสีย จริงพี่นอกเดี๋ยวเค้านิสัยอ่ะอืมเดี๋ยวก่อน แล้วแล้วแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วตอนนี้ก็พักก่อนจ้ะจะมีคนเชียร์ให้อยู่แคมฟ็อกซ์อยู่นะเรียกต้องเรียกโอปองกลับมาใหม่เออเรียก ไปหาบ้านใครสักบ้านนึงแล้วก็อัดเป็นเทปรายการแล้วยิงขึ้นแต่ได้จริงๆหลายๆอืมก็เป็นไปได้หมดแล้วองค์ ป. ไม่ครับกลับมาชาววัน เดี๋ยวรอสิ้นใช่มั้ยใช่เพราะว่าดูแลตัวแทนอยู่ที่นี่เลยแต่ว่าถ้าสิ้นเดือนนี้ไม่ผ่านโปรก็คงได้จรรีกลับกรุงเทพฯเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ไม่กลายเสียด้วยแต่ไปแต่ กทม. นี่แหละ กทม. นี่แหละ กทม. เนาะก็ทะมองอยู่บอกว่ามีแต่ กทม. มีที่อื่นด้วยอย่างนี้มีที่อื่นด้วยอ่ะใช่ไม่ใช่ก็ เด็กๆหน้าตาดีๆก็จะไปทางนั้น ไม่ใช่ไม่ใช่เออจริงๆมันเป็นชื่อร้านที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในกรุงเทพฯอะไรเหรอก็คือเป็นชื่อถนนของกรุงเทพฯอยู่แล้วใช่ ก็นิดๆแล้วคือถ้าเกิดจะแบบว่าเด็กๆไปๆก็ต้องเป็นพวกนั้นหรืออ๋อเออไป Starbucks เนี่ย oh. ครับไปแบบอาทิตย์ก็จะเจออะไรประมาณนี้นะครับอืมเข้า ตั้งแต่ 4:00 น. ไปจนถึงประมาณ 5:00 <ใ> น. ถึงค่ะใครจะมาภูเก็ตมาได้ รถหายเออรถหายไปครึ่งนึงเออนะครับลองเหตุกันมาไม่รู้ว่าหายไปแล้วภาพหายไปแล้วภาพหายไปแล้วเหรอนะครับใช่ เชื่อว่าอย่างเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วน้ําท่วมนะภูเก็ตอ๋อ 25 มั้งครับครับวัน ใช่ว่าพอตรงนั้นมันระบายยากอยู่ค่ะอาจารย์ใช่ล็อกในใช่มีครับโอเคอาจารย์ใช่ครับนั่นแหละครับอ้าวโอปออ๋อไม่ก็ รายการเราคงยังอยู่เรื่อยแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่รู้ <ม. S 1> Facebook มี Fanpage อยู่ใช่ นะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ได้เจอแต่คิดว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงคิดถึงเราแล้วก็ยังปอก็ยังคิดถึงแบบว่างานมีตติ้งที่เรายังจัดกันอยู่เนาะก็คงได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับคิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับเจอกันพบกันนะจ๊ะอาจจะเพิ่งไปเอาฝั่งนี้ไปด้วยโดดนะไม่ หาไม่เจอแล้วเยอะมากง่ายๆๆๆง่ายหอยเอ่อจับน้องบีน้องบีโกรธพวกมาเมื่อกี้มี ลองสัมผัสดูถ้ามีติ่งๆอยู่อ่ะคือปกติเนื้อ เป็นสักๆว่ากันเถอะนั่นแหละมีเม็ดก็ไปให้ดูเลยนะเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยครับเออครับ มากขึ้นเปล่ามันไม่เป็นอะไรเลยนะจ๊ะก็เวลานั้นถ้ามาใช่ยิงมาเฉยๆ อ่อปลายเลยไม่ใช่มั้ยคือจริงๆแล้วเชื่อมี ฟังอยู่ที่เลยจะมาขอจารึกชื่อจารึกชื่ออ่ะ 1 2 3 อ่ะอะไรเอ่ยสวัสดีครับนี่เค้าจะมาแค่เฉพาะตอนเทปสุดท้ายเออหมายถึงแรกๆรู้แต่แรกมาใน เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่ก็ๆตอนนี้ก็อ่ะแล้วมีคนรู้ คงไม่มีแล้วแหละที่คงไม่คงไม่หาแล้วหาไม่ใช่พรหมนั้นเรียกว่าพรหมพระจารีมันไม่ใช่เป็นพรหม จะบอกว่ามันไม่ได้หนาแต่มันโอเคมีอย่างอื่นอีกมั้ยมีมีอันไหนที่ประทับใจมีคนไหนที่เราสัมภาษณ์ ไปเที่ยวที่ไหนดีเที่ยวที่ไหนดีไปเจอใครอะไรยังไงดีอะไรปีก่อนนู้นอ๋อปี 2010 ใช่ๆเออทําไม อ่ะเจ๊กเนี่ยอีอ๋อเข้า นางไม่ได้หิ้วมันห่อเล็กๆอ่ะคุณมันโลยอีกแทนที่จะห่อมันเลอะเลยอ่ะแล้ว ตรงกับวัน 14 วันเดียวกันใช่ๆที่เป็น 2 เป็น 2 เทปที่ เอ่ออันนี้ก็จะเป็นเทปที่คุณเอกจะชอบเช่นกันนะเพราะมีเสียงคุณเอกอยู่ใช่มั้ย ครับขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลาให้อ่าสวัสดีพี่ๆอยู่เนาะต่อกันเลยเลยกรรมอืมน้ำตาๆแล้วมีน้องอีกคนแต่อยู่ปี แล้วยังรายการพี่ดีๆมากดีมากครับอยากให้มีต่อไปนะไม่ลงชื่อๆเลยนะครับก็อยากจะ คนเดียวกันป่ะตัดนะตอนกันนะครับตรงนั้นแหละมาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วพี่ จริงๆที่กิจกรรมเรายังไม่ได้เก็บตังค์ซะเลยนะอุ้ยใช่ค่าอะไรค่าอะไรพี่โหนค่านี่น่าเออที่เค้าแบบมีที่คุณได้ด้วยเออค่าเชงปาก 2 บาท 2 บาทอ่ะป้าทองนะคุณ ที่จริงเนี่ยนะที่จริงรายการเราเนี่ยนะอ๋อจะแสดงได้อ่าพี่ๆ เออจุ่มก็กินอร่อยร่อยโนบเคยใช้แล้วเอ้ากับตุ้งโคนะพี่ตุ้งนะโอเคโอเคโอเคพี่พี่อ่ะพูดแบบ ดีใจครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นคอครีเอเตอร์ของนี่นะครับครับ ขอบคุณนะจ๊ะครับขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะเราจะได้พบกันอีกเดี๋ยวจัดปาร์ตี้นะไม่ท่าๆทุกคนมาก นี่เนี่ยจะมาไปเออก็ฟังครับย้อนหลังทวนไปตั้งแต่ประมาณ จำไม่ได้อ่ะเออหน้าแรกไม่น่าใจอ่ะอันนี้หน้าแรกหรือเปล่าเพราะอืมๆๆๆก็ดี เออแล้วมีทีวีจ้ายินดียินดีขอบคุณมากอืมฝนตกบ่อยๆระวังสุขภาพนะจ๊ะจ้า ติดต่อยูเจโทรติดยูนา 023383589-90 นะครับให้เสียงของคุณเป็นใช่ เป็นการขีเลยตอนนี้อ่านไปก่อนมีใครอีกนะนะครับนี่การการ My favorite tape is massage นั่นอ่านวดเป็น อย่ามาอ้างว่าครับเออเออเออคุณต้นบอกว่าอย 2 ครั้งเองจะ ต้นๆๆพิมพ์เบอร์มาใช่โทรเข้ามาเลยในรายการตอนนี้ก็คุณก็ไปซ้ําของเก่าเราไงไม่แต่อย่าฟังครั้ง bkkfanclub.blogspot.com bkkfanclub.blogspot.com มีทุกทุก คลิกฟังย้อนหลังนะจริงๆคิดถึงกันเนี่ยในพี่ก็จะใช่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะครับอ่ะก๊าส อึ้งอยู่เลยอึ้งอยู่เหรอนี่เธอน่ะอึ้งเท่าไหร่ฉันพวกฉันน่ะอึ้งเยอะเลยพวกเราก็มารู้ไม่งั้นฉันจะต้องคือคือเข้าใจมั้ยนอนนอนจริงๆก็จะไปนอนๆจะบอกว่าแรกๆไม่รู้พี่หนุบนอนที่ไหน ที่มาแล้วมาแล้วโต้งมาโป๊งมาเลยแบบจากที่แบบโอ๊ยต้องยาตองนี่เหรอตองอยู่ตองอยู่เหรอก็เซงสิฮะก็ไม่ ครับเป็นเสน่ห์อย่างนึงครับเวลาฟังวิทยุมันโดยที่ไม่ต้องเห็นภาพเออ Pink Mango วันเสาร์ 5:00 น. เที่ยงคืนเดี๋ยวค่อยไหนเวลา ชาแล้วแล้วอย่างงี้เดี๋ยวได้ได้เจอกันมากี่ครั้งแล้วครับยังไม่จบๆนี่คุณโจ๊กคุณโจ๊กฟังอยู่หรือเปล่าคุณโจ๊กกรุณาเลยปิ้นษาฟังไม่ได้เน็ตมันเค้าช้า ก็ไม่ใช่คุณนะคุณไม่ได้คุย 2 คำเค้าชื่อเค้าชื่อโจ๊กนะหอยทากหรือเปล่าจ้าเออพี่วันนี้ว่างเปล่า อ๋อคือจะเป็นแนวนี้เออเค้าเค้ายื่นเค้ายื่นการมานะสะเล่นคุณโจคุณผิดทําให้เป็นผิดบาง อันนี้มันนอกสเกดด้วยไงเข้าใจมั้ยมันสเกดมันด่วนไปเสร็จเร็วเกินกว่าเหตุแล้วสเกดมันด่วนไปเพราะฉะนั้นเค้าก็ต้องการ BB อ่ะแบบรูป ลูกกอดนะครับที่ลูกลูกกอดอ๋อชัดกอดชัดกอดโคไป 3T แล้วมันอยู่ตรง W อ่ะอ๋ออุ่นๆไปนะคือ จุกอ๋อโอ้ยตุบๆไม่ๆโอ้โหตาอ่ะถือว่าคืบหน้าเออป้าให้ช่วงนี้ปิ๊นแค่สําหรับๆๆไม่เราก็เปิดเพลงทันหูอยู่ทุกวันฉันรู้ฉันรู้ไปอยู่อะไรที่ถามว่าทีถ้าเกิดไม่อย่างงี้แล้วมัน ก็ต้องดูอ่าว่าหาทางแต่การไม่ต้องตกใจจริงๆหาว่าเขาจะให้เราไป ใช่ไงถึงบอกเออโอ้จริงป่ะน้องเออนั่นน่ะสิโอเคคือฮอตมากอ่ะเธอครับใช่จัดอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยเรา MSN มีอยู่แล้วอยู่แล้ว Facebook พี่วิทยาไปนะครับอ๋อแอดอยู่แล้วครับผมเห็นใช่ที่ยังไม่แอดนะก็ไปแอดด้วยแล้วพอดีใครที่แอด เป็นส่วนนึงในรายการนี้แล้วกับต้นปีที่ผ่านมาเป็นคนแรกด้วยเอ้ยเชียวมีเออเอาล่ะได้เวลาแล้วครับขอบคุณ ครับเบอร์โทรศัพท์พี่ M&M นะก็ไปที่เพจของพวก Group Wing อ่ะนะแล้วก็ไปดูเนี่ยนะไปทักทายเค้าใช่มั้ยก็ใช่ปิ้ว นิดผมยาวแล้วแต่ก็ยังมีงูเอออะไรนะอะไรอ่ะโรมมานมากเลยคุณ B ก็คุณ C นะจํา ปาล์มเออเก่งนะเก่งแล้วก็คือปลายปี 2010 นะคุณปาล์มโทรมาไหนคนนึงนักอืมก็ มีเพลงสุดท้ายที่จะอำลาหรือไม่มีอยู่ไม่แน่ใจครับที่เราจะมาหรือคุณก็ส่งเบอร์ 1935 1935 พิมพ์ชื่อคุณมาระบบเออเออ 7 เรื่องเงี้ยบ้าไปนั่งมากแล้วก็แฮปปี้แล้ว นี่ๆๆเจอหน้าๆอะไรอย่างเงี้ย 2 ชั่วโมงก็ก็อย่างดีนะ พี่นกจ้าพี่นกจ้านกตกไก่นะแล้วก็เป็นปิ๊นแบบ ไปขอพูสนั่นไม่ใช่เดี๋ยวกลับมาอีกมีอะไร Pink Mango อีกจะมีอาจจะมีพี่หนวดโผล่ไปน้องเอฟคง